ลมแรงมาสักครู่ฝนก็ตกเจอนั่งทีมีดอกไม้อยู่ตามพื้น <c oughs> มันไม่ธรรมดานะดอกไม้นะดอกอย่างเงี้ยเล็กๆ ก, กรีบมันต้นมันใหญ่มากต้นสูงและใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้แลนก็เป็นหัวข้อทำที่ดี หลังจากเราเอาคำสัสอนของพระเจ้าบทสวดมาสวดกันเดียเหมือนกันต่อที่ยายมนแสดงธรรมน้อมเข้ามาใสต่ตนฝนตกมันกสอนธรรมเราเสียงฝ น, เ ส, งฝนเสียงธรรมชาติเรื่องแม้กระทั่งเนี่ยกรีบดอกไม้ต้นเปลือยต้นเปลือยไม้ใหญ่มากในป่านี้สูงอยู่ทางหลังเขามองเห็น ต้นยาวเป็นนับร้อยเมตรยาวมากใบเล็กยิ่งโตยิ่งใบเล็กแล้วก็ดอกเล็กมันไม่อวดตัวเองเลย <c oughs> ไม่โชว์ดอกไม่โชว์ใบสังเกตแล้ว <c oughs> แต่ต้นที่เขาเล็กๆเขา ก, <c oughs> ก็จะโชว์ใบโชว์ดอก <c oughs> มันบอกถึงอะไร กห้วาจาใจของเรามีไว้แสดงเด็กๆ ก, ก็จะเรียกร้องความสนใจมีลักษณะของการแสดงออกธรรมชาติแบบเด็กๆต้องแสดงความแข็งแรงเล่นสนสุกสนจนเหนื่อยแทน หรือว่าพูดเสียงดงังพูดเสียงดังเว่อโชว์ทั่วใหญ่ก็เป็นอาการผลักมาจากข้างในต้นไม้ใหญ่ๆยิ่งลองดูประดู300ปีหน้าวัดประดู300ปีหน้าวัดเนี่ยมันก็สุดซอมเต็มทีมันยิ่งแก่ มันก็ยิ่งปล่อยยิ่งวางกิ่งใบสลัดมันพร้อมที่จะสลายตัวเองไปลารับจากโลกนี้ไปเราก็เห็นเป็นโอ้น้องก็ว่าใส่ตนหลวงพ่อมเขียนก็เหมือนกันท่านก็นิ่งๆเฉยๆหายตัว สรรพคุณของยาเนี่ยแรงถ้าเรารู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นต้นไม้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวบางทีก็ผ่านการทำรโยชน์มามากมายแล้วกินจะท้ายสุดก็คือหมดคุณค่าผ่านมาทุกอย่างแล้วก็จะเงียบๆเฉยๆคนผ่านประสบการณ์หลายคนมาที่นี่เป็นปัญญาชนเป็นผู้ที่มีฐานะ ผ่านการงานระดับสูงๆใหญ่ๆมาเยอะมาก mm hmm. เราเห็นว่าเป็นคนที่สุภาพ mm hmm. สุภาพอ่อนโยนนิน่ง mm hmm. อยู่มันไม่มีตัวไม่มีตน mm hmm. มันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เราเห็นว่าบเวลาผ่านไปผ่านไป mm hmm. การเวลาสัพสัตสรพ ส, สิ่งต่างๆ มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีมันพร้อมการทำหน้าที่แต่ละขณะแต่ละขณะมันพร้อมเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าถึงเวลานิ่งก็นิ่งถึงเวลาเงี่บก็เงียบถึงเวลาใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจมันใช้มีแบบสรรพคุณเต็มที่มันมีลักษณะของ ประโยชน์อย่างสูงสุดไม้ต้นใดผ่านร้อนผ่านหนาวไฟไหม้ก็ไม่ตายก็บอกถึงวงปีที่มันสวยงามแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีมันมีคุณมีค่ามากน้ำท่วมก็ไม่ตายไฟไหม้ก็ไม่ตาย วงปีจะสวยมากปีไหนแรงนี่เข้มเป็นพิเศษเหมือนกับเพชรก็เหมือนกันเพชรคุณค่าของเพชรก็อยู่ที่ว่าประกายเมื่อถูกายาราในแล้วงามมากคนง่ายคุณค่าที่สำัญที่สุดก็คือมันมีพลังมันตัดได้ทุกอย่างเพชรเพชรตัดเพช ร, พช ร, พชรแข็งมากแต่กว่าจะเป็นเพชรเนี่ยแรงกดทับความร้อนล้อุ นับปลาล้านปีความต่อเนื่องของสภาพทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆภูเขาไฟไฟส่วนใหญ่มันก็บอกถึงธรรมชาติเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่ทำให้เกิดปรากการต่างๆเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เป็นคุณเป็นประโยชน์ มีค่าในโลกใบนี้<ม>ชีวิตของเราชันใดก็เดีนะมันก็ได้ธรรมชาติเรานี้ลนะ้าสอนเรา<ม>เรามีเครื่องรับอยู่<ม>การเคลื่อนการไหวของกายเป็นความรู้สึกตัว<ม>เราเห็นกายของเรา<ม>การเคลื่อนการไหวตะขณะเป็นองค์ของความเพียรที่เมื่อกี้เราสวดกัน การที่เราตั้งใจใส่ใจการประคับประคอง<ม>เกิดความตั้งมั่นใช่หมดนะเป็นลักษณะของการที่เราฝึกตนสอนตนก็ต้องเห็นอาการต่างๆรายละเอียดต่างๆเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการฝึกการหัด องของมรรคก็คือลักษณะของหนทางหรือว่าทางที่มันเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบเริ่มต้นมาจากสัมมาทิฏฐิเห็นให้ถูกเบื้องต้นเลยนะการที่เราเระลึกรู้รู้สึกเห็นให้ถูกเห็นกายตามความเป็นจริง เห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริงแต่ละขณะแต่ละขณะเห็นจริงๆสัมผัสจริงๆมันเป็นการสัมผัสเห็นจากการสัมผัสจากความรู้สึกสัมผั์และรู้สึกเวลาจิตใจของเราแสดงตัวเองเป็นอาการต่างๆเมื่อสัมผัสและรู้สึกสมาสติสัมมาสมาธิเป็นโอของมรรค ภาษาอหสานมักก็แปว่าชอบ ม, มักมักาหรือว่าทางเดินทางเดินที่เดินด้วยชอบเห็นก็เห็นชอบหรืว่าคิดที่เราสวดกันเพียนก็เปียนชอบมันจะเพียนไม่ชอบเพียนชอบเปลี่ยนเคลื่อนไหวรู้สึกกายรู้สึกวาจาเราไม่ได้ใช้ พอใจความรู้สึกที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกายแต่ในพระสูตรมันมีนการพูดการนิ่งมีการเคลื่อนการไหวของปากเรา<ม>การรับประทานอาหารนี่มีมเอามฝึกสติได้<ม>เคียวตละคําฟันกระทบลิ้นตวัดไปตวัดมาว่<ม>เาเป็นการเจริญสติฝึกสติด้วยอาหารกายกวลิงกะลาอาหารได้เป็นอาหารไปในจิตในใจของเราด้วย มโนสัญเจตนาหารวิญญาหารภาษาหารต่างๆ mm hmm. เรื่องของกายธ mm hmm. าตุดินสู่ดินธาตุน้ําสู่น้ําลมสู่ลมไฟสู่ไฟ mm hmm. ส่วนจิตของเราธาตุรู้กับธาตุว่างรู้มันก็ว่าง mm hmm. แตามันรู้ด้วยวิชา mm hmm. แล้วก็รู้ถูกธ mm hmm. าตุรู้ธาตุว่างก็แสดงแต่ว่าธานหลงนี่เยอะ ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยพระธาตุาหลงมันพร้อมที่จะคอบเงางามเรามันเป็นเงาตามตัวมันครอบงามัมนกะเงาตามตัวเราตลอดในเ่เวลาเลยทุกพื้นที่เผยเมื่มอไรหลงได้ทันทีใหม่ๆ ใ, ให้รู้จากความรู้สึกตัว การเคลื่อนการไหวความรู้สึกตัวนะรู้เท่าที่รู้ได้แบ่งขอสวนแบ่งเคยหลงตลอดตาหูจะบอกลิ้นกายใจหลงตลอดเบนจะขันขันห้าเราเคยเอามากำหนดรู้จนเห็นว่าไม่ใช่ของที่เราควรจะไปยึดไปถือเป็นธาตที่มันบริสุทธ์ตามธรรมชาติของมันมันมีอยู่ แต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ม่กจะไปยึดเอามาประกอบเป็นตัวเป็นตนมันไม่ทันจริงๆเราก็เลยเนะ เ, เริ่มต้นฝึกให้มันรู้ขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวรู้ปุกแล้าท่ารู้จระทั้งมันลืมหูลืมตาสภาวะของผู้ดูตื่นทุกภาษาธรรมะเรียกว่า ปฏิการสามก็คือเห็นทุกข์ก่อนอย่างเราเห็นกายเนี่ยมาเช้าหลวงพ่อเปรียบเทียบไว้เหมือนก็เห็นงูทำไง mm. เห็นงูทุกข์เปรียบเหมือนงู mm. มันเหมือนจริงๆพ่อแม่ครูอาจารย์เปรียบเทียบไว้ชัดงูเนี่ยจับหัวก็ถูกงูกัดจับหางหวมก็กัด กัดทั้งขึ้นทั้งล่องก็พูดง่ายคือเมตตุกนั่นแนหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขมันไม่มี <c oughs> ไปจับสุกพอใจเอาเข้ามาเดี๋ยวกรพัดพรากระทุกอยู่ดี <c oughs> มีสิ่งไหนก็ทุกประสิ่งนั้น <c oughs> จับหัวหัวอากัดจับหางหางอากาศ <c oughs> ทั้งขึ้นทั้งล่องทํำยังไงจะเหมือนกับว่า ให้เหมือนลิ้นงูลิ้นงูอยู่ในปากงูแต่ว่างมไม่กัดลิ้นงูนก็อยู่กับเขี้ยวนะอยู่กับพิษแต่ว่ามันไม่กัดเราก็ต้องเห็นทุกนะเห็นเหตุแห่งทุกก้าวลองออกจากความทุกนะสามอย่างนะเห็นเห็นทุกแล้วไม่เข้าไปเป็นแล้วก็ออกห่างไว้ด้วยปลอดภัยอาริยะออกห่าง เพราะนั้นลักษณของการเห็นวิชามันเห็นวิชาทำให้เกิดศรัทธามาแต่อวิชามันทำให้เกิดสังขารขึ้นมาเชื่อมต่อพอมีวิชาก็ต้องมีสังขารนะการปรุงการแต่งอวิชาเกิดปับ๊บสังขารก็เกิดทันทีอ า, อางนี้อวิชาเกิดปับ๊บสังขารตามมา แต่ถ้าวิชาเกิดขึ้นมาวิสังขารก็ตามมาไม่ปรุงมันทันทีทันใดเลยแต่รู้สึกมันก็ไม่ปรุงรู้สึกแล้วมันก็มีอะไรก็ธรรมดาธรรมดาปกติว่างเลยจากความหมายความตีความทั้งหลายทั้งปวงความเป็นตัวตนชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจลักชังวิชาเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วเกิดปราโมท มันก็พาไปสู่มรรคผลนิพพานอาวิชาทำ้เกิดสังขารสังขารทำใ้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดสลายญานะสลายญาณทำให้เกิดผัสจักันจะทำใ้เกิดโนนะยาวไปหาทุกโทมนัสโสกกาบาลิเทวะอุปาสาญาติมันไปไกล เันมันง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกมันตัดต้นตอเลยจุดอ่อนหลงก็ไม่หลงรู้สึกปั๊บวิชาเกิดมารูมรู้ถูกสัมมาทิฏฐิรู้การเคลื่อนการไหวรู้ตรงๆรู้ความจริงมันเห็นเลยเออเคลื่อนไหวไม่มีผู้เคลื่อนไหวอย่างเงยเดินไม่มีตัวผู้เดินยกมือไม่มีตัวผู้ยกมือตรงนี้ทําได้หรือยัง ที่เราทำกันมาหลายวันก็เลยตรงนี้เดินแต่ไม่มีตัวผู้เดินมีแต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกยกมือก็เหมือนไม่มีตัวผู้ยกมีแต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็ไหลไปเองไปเองแหละมาจิตใจปลาโมดเกิดปิติเกิดปัสสถิขึ้นมาเกิดสุขขึ้นมา สุตรงเนี้ยยิ่งกว่าเอาว่โทนหนึ่งสอสามบางคนหนึ่งสามเข้ามามันเป็นสุกที่มันอยู่ข้างในตัวเราหลาวิศาการบอกแล้วมีสารเอนโดฟินอยู่เวลาเครียดคอร์ติซอลกาบดินเรลินมันมีอยู่ที น, นี้ในสติสัมปัญญามีความเป็นปกติอยู่มันก็เห็นละสุกก็ไม่เอาเพราะสุกมันก็ทำให้เรายึดติด กลายเป็นฌานเราฝึกเพ้เกิดที่ปัจจนายานเป็นยานของปัญญาขนสง่งมันเห็นสุขมันก็ผ่านสุขอ่ะนีมันรู้อยู่แล้วติดไม่ได้ติดเทวดาพรมมยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ติดดียึดดีกลายเป็นทุกข์กความดีพอสุขหายไปสุขก็เกิดดับแล้วสุขก็คือทุกข์ ท้ายสก็คือมันก็ไม่เอามันก็มีแต่รู้สึกว่าเป็นอาการเฉยๆมันไม่เอาเป็นบวกไม่เอาเป็นลบเห็นเป็นอาการมาเกิดอะไรอีกมากมายความเบื่อหน่ายคกายจางนิพิทาวิราคาก็อําไม่ให้ราคาทางตาไม่ราคาทางตาทางหูไม่ราคาทางหู ไม่มีราคามีแต่วิราคานะก็เป็นการเดินทางเกิดวิมุตขขึ้นมาหลุดพ้นทุกขันนะนะความเป็นปกติ่ะนะมันหลุดพน้นโสด ก, ก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาแต่รู้อยู่มันมีสุกมีทุกข์รู้อยู่แต่ไม่เอาก็รู้สึกตัวรู้สึกตัว รู้กายรู้ใจรู้เวนารู้จิตนะธรรมชาติต่างๆตายนะสุดมันก็เป็นวิมุตตนะเห็นจนกระทั่งนูนนะการ ม, มาสวะนะเห็นการนี่มเกิดขึ้นมาชอบไม่ชอบชอบก็บไปไ ก, กว้เข้ามาไม่ชอบก็บผลักใายไล่ส่องสสยหัวไปนะจนกฎหมายต้องออกมานะตรงนะี้ กฎหมายออกมาว่าไงคนนะถ้าตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยกันมาท้ายสุดพออีกฝ่ายนึงยากจนถีบหัวส่งติดคุกกลายเป็นโจรปล้นเห ม, มือนพระเจ้าก็พูดนางโมลารานนั้นก็ต้องกัดก้อนเกลือกินนะนะกัดก้อนเกลือกินกันประเภทนั้นเลย เท็มกันกชวนกันชวนกันสู่มักสู่ผลไปเลยหันหน้าขาวัดปฏิบัติธรรมมาดีที่สุดเป็นแค่สมมุติบัญญัติเฉยๆเป็นเพื่อนเป็นกรมิตดจูงกันสู่ฝั่งพันิพานไปโน้นมันเป็นได้ขนาดนั้นแต่เพราะนั้นการมาสวะชอบก็ยาวเข้ามาไม่ชอบก็จะผลักออกไปมันจะเกิดเป็นภ พบชาติชรามรณะเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตของเราไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าหลังเราตายไปแล้วแต่พูดถึงขนาดนี้ mm hmm. เวลาความคิดผุดเกิดมาก็พบชาติหนึ่ง mm hmm. ชีวิตหนึ่งนะโอ้โหมันหลายกลับหลายกันหลายสงไข่มากถ้าคิดคานวณว่าความคิดหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องนะี่คือหนึ่งพบหนึ่งชาติ วันนี้มันกี่พบกี่ชาติกันนะคุมดีคุมไล่ชาสายใบกั้มดีมาาดใจเสียใจหัวร้องร้องให้ฟูฟแฟบแไม่ต้องพูดถึงเมื่อวานเดินที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าชาติก่อนเกิดอะไรไม่ต้องไปพูดเอาแค่ว่ามันทุกเดือนนี้ความคิดเกิดขึ้นมาเรื่อ ง, งดับมันได้ไหมมีหลักการมีรูปแบบในการปฏิบัติ การฝึกสติจนสติมันคมชัดเงี้ยมันจะเห็นเลยนะกร ม, มาสะวะมาเกิดขึ้นมาเกิดเป็นภวาสะวะขึ้นมาเกิดเป็นอวิชชาสะวะขึ้นมาไม่รู้มันไม่รู้ตัวจริงๆลืมเนื้อลืมตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาหมอดูนะเวลามีปัญหาชีวิตไม่ต้องไปหาหมอดูมันรู้สึกตัว ลืมตัวหรือเปล่าถ้ามันไม่รู้สึกตัวมันลืมตัวนั่นแหละลางลายลางเสาหอนเกิดมาแล้วให้รู้เลยชีวิตมันจะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่รู้สึกตัวไหลลงตำ่ำพระศุกเข้าพระเสาแทรกความบัวก็ไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกมืดแปดได้ละคนไม่รู้สึกตัวท้ายสุขจนตรอกไม่รู้จ๊ อยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวในโลกใบนี้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากระเบิดสมองผูกคอตายกินยาตายกูไม่ฆ่ากูกูก็จะฆ่ามึงแขน<อ>เพราะนั้นเราเจึงมารู้จักกันซนะทุกทุกขณะที่มันเกิดความคิดขึ้นมาที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะโอ้โอ้ยคนอัวลุกอันตราย แตหยิบความคิดเอามาใช้นี่ไม่เป็นไรนะมีบางคนมาถามแล้วไปทํางานจะทำไงไม่ได้คิดนะห้ามไม่ให้คิดเนะี่ยเปล่าไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าเออเกลับไปไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะเปล่าไม่ได้บอกงั้นเลยแต่บอกเวลาฝิกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยจะไปคิดทําไมสัมผัสรู้สัมผัสรู้พูดถึงตร ง, ตรงนี้ถ้าหาเฝึกไปให้แยกให้ออกระหว่างรู้สึกที่กายกับเวลารู้สึกที่คิดนะ่ย พอมันเห็นความคิดเห็นหลังของสมมุติบัญญัติจะได้ไม่คิดรู้ธรรมะตรงนี้สําคัญมันจะไสัมผัสรู้ธรรมะธรรมชาติจริงๆมันดน้นมันเดาค า, าดการนนคาดการณเนมไม่ได้ไประจามมาไม่ใช่ก็เลยต้องเนีฝึกเพื่อเผชิญการลมตรงๆแล้วก็ไม่ต้องมาสรุปนะมาชอบไปไม่ชอบดีไม่ดีไม่ต้องไปสรุป แล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปเริ่มต้นใหม่ตลอดเป็นปัจจุบันเป็นชีวิตเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าสดสดไปภาษานี้มีคนก็พูดยูก็เห็นว่ามันจริงเป็นปัจจุบันสดสดไม่ใช่ปัจจุบันแห้งๆขณะต่อขณะมันจริงขนาดนั้นใหม่ๆมันเป็นชีวิตชีวาอย่างนี้นะ อ น, นี้หละมนจนิพพานเกิดขึ้นมาอาสวัคยายานนะมันก็จะเห็นใช้กายยังไงใช้วาจายัางไงใช้ความคิดอย่างไรเป็นหน้าที่หลวงพเทียนท่านพูดว่าเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราพูดไปคำหนึ่งเนี่ยทางวาจานถ้าพูดดีจะไปสวรรค์ชั้นไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าพูดไม่ดีไปคำหนึ่งนะ รู้เลยทันทีว่าจะตกนรกขนาดไหนกี่วันกี่เดือนกี่ปีรู้ทันทีหรือว่าใช้กายทําดีจะรู้ทันทีว่าจะไปขึ้นสวรรค์กี่วันกี่เดือนกี่ปีอาจะพูดได้เป็นรูปธรรมลองตั้งใจฟังดูนะใช่ไม่ใช่อย่างไรเช่นะเราติดทดําดีแล้วเราก็ได้ความสุขยอมรับแม้แต่ความสุขก็คือสวรรค์ ยอมลับไหมเอออย่างเช่นมาเช้าอ่ะเราเอามือมาไหว้กันนะใจมันฟูขึ้นมายอมรับไม่ว่านั่นคือบุญทำบุญก็ไปสวรรค์ไงแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะใช่ไหมก็มันแค่กี่นาทีเองมันไม่ใช่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเพราะนั่นคนจึงทำดีอยู่ตลอดทำบุญอยู่ตลอดติดดีก็ได้นะรู้บอกไหมติดดี แล้วบางคนไม่ใช่ติดธรรมดาบ้าดีด้วยนะมันเข้าไปขั้นนั้นนะบ้าดีด้วยลนะเพราะเขาไม่ว่าดีนะร้องไห้เสียใจบางคนก็เลยทำดีไม่ถึงดีอีกนิดเดียวจะดีละท้อแทไปซะ ก, ก่อนบางคนก็บ้าทำดีทำดีไม่ถูกคนอีกไม่มีปรรัญญาเขาอากาักติกันเราไปทำดีเขาเขาจะว่าเราดีได้ไงถูกไหมยังไงก็ไม่ชื่นชมหรอกคนมันอากาักติ แต่ก็ให้ทำไปเถอะกลมหน้ากมตาทำไปปิดทองหลังพระใช้ปัญญาด้ว ย, ยมันจะมีความฉลาดเฉลียวอยู่ในการกระทำอย่างเช่นย่างเมื่อเช้าเราจะเห็นนะคลองตีดังแป๊กแป๊กหลวงพ่อเขียนท่านใช้พระใช้ภาษานะใช้ภาษาใช้ภาษาตีเหมือนเด็กเลยหลวงพ่อรถตะกลมก็ย้อนทำไม้ ทำไม้ตีคล้องหลวงพ่อกรบบนเป็นคำบน่นแต่มาบอกไม่ได้บ่นหลว ง, ง, งพ่อกรมหลวงบนอาตมาแล้เข้าใจปะ่ะทำไมไม่ทำาที่มาไม่ทำเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นต้องทาละไม้มันก็ตีตาตีให้ดังก็ดังได้อยู่วิธีตีคล้องนะตีอย่างนี้นะอย่าอยู่ๆไปพอหกมองเป๊ซัดติมเลยข้างหลังเนี่ย ตกใจเดี๋ยวว่าใจวายตายต้องค่อยๆก่อนเขาเบาๆเตือนก็ก่อนมองมๆงมอมองมมมองมอเตือนหนึ่งยกก่อนแล้วหลังจากนั้ น, นของจริงอีกสามยกตั้งใจตีบรรจงเลยนะเพราะเสียงจะเป็นมงคลมากทุกครั้งที่ตีนะชาวบ้านจะพนมมือสาธุมันตีให้ดัง มอ ง, ม, อ ง, ม, องมันจะกระหึ่มนะถ้าตีถูกจังหวะนะพอดีพอดีไม่แรงไปและไม่เบาไปมันจะมีจังหวะหนึ่งอนะ่ะสังเกตหาเอาเองแล้วกันความพอดีเะจแล้วพอเสียงมันค้างมองหยับหยุดวักนิดนึงแล้วก็มองหยับ มองเงียบมองมองมองมองมองมอมองมองมองจากหนักแล้วก็ไปเบาแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มยกใหม่มองมอง มองมองมองมองมองมองมองสองยกแล้วอย่าลืมบางทีตีถ้าไม่มีสติมันงงเนะเฮ้ยตีมากี่ยกแล้วเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นเฮ้ยมันกี่ยกแล้วเนี่ยมันจะงงมองมอง มองมองมองมองมองมองมองมองมองมองเงียบและจบท้ายมองพระพุทธมองพระธรรมมองพระสงฆ์จบอย่างเงี้ยมันจะประมาณ5นาทีพอดีก่ายดีดี ไอรักทงข้างหน้ามันกันตีกันแบบะระกังเวลาไฟไหม้เลยไฟไหม้ก็ตีนี่ยตีเรียกลมพนเนี่ยก็มีรหัสก็มันอยู่หรอกนพวกนี้ก็ต้องศึกษากันยานสัญญาณแต่ว่ามันไม่สําคัญเท่ากับยานของปัญญาเราว่าเอาตัวเนื้อสมมติบัญญัติกันก็ได้ยานของปัญญาคือไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งนั้นะ แ ต, มมต่ก็ทายู่สมมติกำลังใช้สมมติอยู่บางยานยนต์ยอยักษสาอานอนหนูอันนี้ก็คือรถยนต์ขนส่งวัตถุรูปธรรมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่บรรทุกได้มากเราว่าแหนบมันอ่อนโยนแหนบรถมันแข็งแต่นอ่อนแล้วก็โยนบรรทุกได้มากชั้นใดก็ดีวิปัสนาญาณ มันก็จะทําให้เกิดความอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตได้เวลายกเนี่ยมันจะนุ่มนวลเวลาเดินก็ไม่จะอ่อนโยนและนุ่มนวลเหมือนกันนะเพราะนัะเราก็จึงต้องฝึกต้องหัดกันไม่ปล่อยเวลาได้โดยเพราะตอนนี้นะก็พูดให้ฟังก็ตั้งใจฟังตั้งใจฟังก็คงไม่พูดแข่งกับเสียงฝน เดี๋ยวเราก็กราบพระพร้อมกัน